ข้อคิดและหลักธรรมจากหลวงพ่อประมาเสริมชัยชยักมังคโลโอโดยพร้อมกันครับเจริญสุขนะเจริญพรก่อนอื่นรายการพระพุทธนำต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่กรุณานเมตตามาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ อ, อ๋อเจริญพรหลวงพ่อครับเรื่องที่อยากจะขออนุญาตเรียนถามแล้วก็ขออนุญาตให้หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องความเป็นมาของวัดหลวงปรสถธรรมกายยารามมีความเป็นมาอย่างไรจุดเริ่มเดิมที ความมุ่งมั่นความตั้งใจของหลวงพ่อที่มาสร้างวัดตรงนี้เป็นยังไงครับหลวงพ่อครับอ๋อเจริญพรอ๋อเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านกล่าวถึงความเป็นมาของวัดหลวงพรสดธรรมกายารามนั่นว่าที่จริงก็ได้ริเริ่มในเรื่องนี้มาเป็นเวลานานเริ่มตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2518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 อัตมาภาพก็ไดเ้เข้าไปศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีหรือสดจันทศารท่านได้ปฏิบัติถึงธรรมกายตามรอยบาทพระพุทธองค์และได้สั่งสอนสศิษยานุศิกในวิธีการปฏิบัติการเจริญภาวนาธรรมอย่างนั้น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 ลูกๆได้ปฏิบัติถึงธรรมกายคนโตอายุ14ขวบคนกลางก็สิบาคนเล็กก็สิบสองขวเด็กที่ปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นเธอเองนั้นก็เรียกว่าไม่เลียงสาในการปฏิบัติธรรมหรือได้เรียนรู้หลักธรรมเหมือนผู้ใหญ่เมื่อพาเธอไปฝึกเจริญภาวนาธรรมเธอก็ไปปฏิบัติ แต่เมื่อเธอปฏิบัติแล้วปรากฏว่ามีความก้าวหน้าคือปฏิบัติได้ถึงธรรมกายและเมื่อได้ระยะเวลาพอสมควรแล้วเด็กๆที่ปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นอาตมาภาพได้ขอกับครูผู้สอนว่าอยากจะทราบว่าโยมพ่อที่ได้เสียชีวิตไปเมื่ออาตมาอายุ20ปีนั้น ท่านไปเกิดในภพภูมิใดนี่ในเบื้องตน้นก็ครูก็หลังจากที่ให้เด็กๆคือลูกสาวของอัตมาที่ปฏิบัติได้ผลดีนั้นเจริญฌานสมบัติจนจิตสะอาดหรือสงัดหรือสงบจากกิเลสมีวนเครื่องกั้นปัญญาแล้วก็ให้ตรวจท่าธรรมของโยมพ่อซึ่งก็คือปู่ของเด็กว่าเมื่อโยมพ่อ ตายไปแล้วนั่นไปเกิดในภพภูมิใดอัตมากล่าวย่อเลยจะใดไม่เสียเวลาก็ปรากฏว่าเด็กๆ เ, เห็นโยมพ่อไปเกิดในนรกขุมที่หได้ถามบุปกรรมของโยมพ่อก็ปรากฏว่าอัตมาไม่ได้ถามเองแต่ว่าออได้ตั้งคำถามให้กับลูกๆเขาสอบถามทางจิตใจเรียกว่าไม่ต้องใช้คำพูดนะใช้ใจถาม สำหรับผู้เจริญภาวนาไปถึงอย่างนั้นแล้วใช้ใจถามตอนนี้เมื่อถามบุปกรรมของโยมพ่อปรากฏว่าโยมพ่อนั้นเพระเวนสุราคือดื่มสุราเพียงเช้ากงเย็นกงเท่านั้นแหละเพียงเพื่อรับทานอาหารอร่อยไม่ได้เมามายมีก็ดื่มไม่มีก็ไม่ต้องดื่มเป็นอยู่อย่างนั้นจนตลอดชีวิตแล้วท่านกา็ต้องจากไปเมื่ออายุเพียงห้าบี่ปี แล้วก็ปรากฏว่าด้วยบุพกรรมคือเวณสุรานั่นนั่นเองทำให้โยมพ่อได้ไปเกิดในสัตว์ในในนรกขุมที่หเป็นสัตว์นรกก็มีลักษณะเหมือนคนและทีนี้ถ้าจะถามว่าทำไมถึงได้เชื่อว่าเป็นโยมพ่อจริงอันนี้ได้มีการสอบรู้สอบยานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ถามว่าเมื่อขนาดที่ตายเนะี่ยโยมพ่อแต่งตัวอย่างไรเด็กทั้งสองตอบตรงกัน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 เอามาร่วมกิจกรรมกันในระยะไม่หานะ่างไกลนะเออนนี่ครูก็ต้องการให้ทราบถึงบุ ป, ปรกรรมเหมือนกันว่าเพราะเหตุใดก็ให้เด็กตรวจดูธาตุธรรมของสุนัขนั้นถอยหลังสืบต่อไปโดยกรรมวิธีเดียวกันก็ปรากฏเห็นถอยหลังไปชาติที่1 น, นับจากที่เป็นสุนัขนี้นะก็ยังเป็นสุนัขอยู่ชาติที่สองก็ยังเป็นสุนัก ก็นับเป็นชาติที่สามถ้านับกับปัจจุบันเพราชาติที่4ี่เป็นคนเห็นเป็นคนเป็นกายมนุษย์ละเอียดและได้ถามบุพกรรมได้ดูบุพกรรมปรากฏว่าสุนัขตัวนั้นที่มาเกิดเป็นสุนัขเพราะผิดศีลข้อกาเมสุวิชาจารย์ตัวอย่างเหล่านี้จากเด็กที่ไม่เรียงสาในพระพุทธศาสนาแต่เธอปฏิบัติธรรมตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ําสอนให้ถึงธรรมกายนั่นตรวจบุพกรรม ดูได้อย่างนี้ถ้าแม่อตมาเข้าใจถึงอริยสัจสีที่พระพุทธองค์สอนว่าทุกเป็นอย่างไรเหตุแห่งทุกขคืออะไรและสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรพอสมควรและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกคือศีลสมาธิปัญญาและอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี้มีในโยนัยอริมักในองค์แปดนั้นเองเป็นทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้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 ได้ทราบต่อไปว่าวิชาธรรมกายนั้นช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นได้ตามสมควรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในวิชาธรรมกายชั้นสูงด้วยความประทับใจนี้นี่แหละซึ่งอาตมาได้มีประสบการณ์สืบต่อมาก็จะกล่าวย่อๆว่าอาตมาจึงได้ขอจัดตั้งโครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชน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 และเพื่อจะเปิดการอบรมพระกรรมฐานาแก่สาธุชนในส่วนกลางกรุงเทพมหาคนครและจัดหาที่เพื่อที่จะจัดตั้งเป็นวัดเพื่อให้มีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการาให้การศึกษาอบรมได้จึงได้จัดตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2524เมื่อมีผู้บริจาคที่ดิน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 วันที่9มีนาคมพุทธศักราช 2,25 โดยประกาศยังพระภิกษุทั่วประเทศเที่เป็นหลักๆขอเชิญขอรัฐนามาอบรมพระกรรมฐานวัตถุประสงค์สำคัญตอนนี้ก็คือเพื่อสร้างพระในใจตนและเพื่อสร้างพระในใจคนอื่นเมื่ อ, อ, อท่านทั้งหลายได้มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติ ทั้งหลักปริยัตและวิธีปฏิบัติได้ผลสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติแล้วจะได้นำวิธีการปฏิบัติภาวนาตามที่หลวงพอ่อวัดปากน้ำสอนให้ปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นไปเผยแผ่อย่างท้องที่ของท่านจึงเปิดการอบรมครั้งแรกในปีพุทธศักราช2 5 2 5อังกล่าวแล้วและต่อมาในปีพุทธศักราช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 ได้จัดการเปิดการอบรมพระกรรมฐานทุกปีเป็นประจําปีละสองรุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่1นึ่ถึงสิธันวาคมของทุกปีสืบต่อมาแล้วก็มูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนั้นได้ตั้งอยู่ที่วัดสเกต ร, ราชวรมาวิหารพร้อมทั้งเปิดการอบรมพระกรรมฐานสอนศีลธรรมและภาวนาธรรม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 จะคงจะต้องขออนุ ญ, ญาตเรียนถามพระเด็พระคุณหลวงพ่อว่าจริงๆแล้วการสร้างวัดปัจจุบันนี้บางท่านบางคนอาจจะอยากสร้างวัดในเมืองแต่ทําไมพระเด็จพระคุณหลวงพ่อจึงสร้างวัดในชนบทครับช่วงนี้พักสักรูปครับบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชา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 ชำระกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจิตใจผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์แล้วก็จะเกิดอภิญญาความสามารถพิเศษมีที่ประจักษ์สูตรที่ประโสนิเป็นต้นนั้นท่านเองประกอบเป็นวิชาตัวชวช่าง2ตัวนะเป็นวิชาก็เป็นความสามารถพิเศษสามารถจะระลึกชาติได้และเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรสําหรับผู้ปฏิบัตินี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพร ะ, ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนแต่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณ น, นั้นในยามต้นแห่งราตรีก็ได้ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงฌานที่สเมื่อจิตใจสงบจากกิเลสมิวร์เครื่องกั้นปัญญาแล้วทรงน้อมไปเพื่อตุกเพนิวาสานุสติญาณ น, นั่นระลึกชาติได้อ น, นี้พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมา ก, ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นร่วงนี้ถ้าหากท่านผู้ใดสงสัย เขาเชิญไปปฏิบัติที่วัดหลวงพ่สดธรรมกายรามในระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นปลายปีเป็นรุ่นที่ 39, 36มสขอภอภัยจะมีการปฏิบัติระหว่างวันที่1ถึง14ธันวาคมอันนี้จเจริญพรให้ทราบครัาเและขอแถมอีกนิดหนึ่งว่าท่านทราบหรือไม่ว่าทุกศาสนานมีการกล่าวเรื่องนรกสวรรค์และนั่นหมายความว่า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 จนถึงมีประสบการณ์ได้ผลของการปฏิบัติและช่วยสร้างพระในใจผู้อื่นได้นั้นอัตมาภาพมีความจาเป็นรหรือเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ว่าจะต้องมีสถานที่ที่สปายะคือที่สงบที่สะอาดที่ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นอัตมาจึงไม่เลือกทำเลในเมืองจะเลือกทาเลในชนบท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 จนเรียกว่าตลอดชีวิตของท่านจนกระทั่งท่านอ า, าพาธแล้วท่านจึงสอนไม่ได้และหลังจากนั้นก็ได้มีการสืบต่อธรรมะปฏิบัตินี้ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนั้นมีผลดีต่อผู้ปฏิบัติอยู่สองสาประการซึ่งอา ต, ตมาจะ ก, กล่าวให้ทราบประการที่หนึ่งคือให้เจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็น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 การทำา้ผลมีประสิทธิภาพสูงนั้นเจ้าตัวต้องอยู่และต้องบริหารงานเองและสอนเองให้ลึกซึ้งและก็จะต้องกระทำะสื่อมวลชนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเทปสอนภาวนาธรรมและอะไรต่ออะไรหลายอย่างจึงได้เผยแผ่นักในประเทศซึ่งต่อมาหลังจาก4ี่ปีนั้นเจริญพรครับครับก็น่าสนใจทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่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 กิจกรรมของวัดหลวงพ่อสตรงนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนหลายท่านหลายคนเคยไปปฏิบัติธรรมมาแล้วย่อมทราบดีบางท่านอาจจะยังไม่เคยไปอยากจะข อ, อนิมนต์ให้หลวงพ่อเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกิจกรรมในเดือนธันวาคมกับหลวงพ่อครับก็ขอเจริญพรให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ 1-14 ทถึงธันวาคมนั้น เ, เราจะได้จัดการอบรมพระกรรมฐาน เ, เป็นประจำทุกปีสาหรับปีนี้ ก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่36ก็ขอเชิญสาธุชนไปปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคมนั้นเป็นระยะเวลาที่เราจะจัดให้มีการปฏิบัติภาวนาเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชเพราะฉะนั้น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 ศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้ก็ขอเชิญไปตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ทธันวาคมเลยทีเดียวเฉาเพาะพระภิกษุสงฆ์และสามเณร น, นั้นก็ขออาราธนานำบาทและอัฐบริคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งาบาทกรดต่างๆเอาไปใช้ด้วยส่วนญาติโยมนั้นขอเชิญไปรักษาศีลแปดแต่งชุดขาวและอยู่ปฏิบัติธรรม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 เจ้าวาดวัดหลวงพสดธรรมกายยารามครับที่ได้เมตตามาเล่าหลายๆเรื่องของวัดหลวงพสดหลายๆเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้ฟังในวันนี้ครั บ, รบขอบพระคุณประเดี๋ยวพคุณครับ เ, ออเจริญสุขเจริญพรเจริญพรญาติโยมสาธิตชนทุกท่าน